อ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسعنه ونستق ن س ت د ي ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيات عمالنا ما ي ه د ه الله فلا مضل له وما يدله فلا ه ا ل ي لعماه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพ <S ess> ี่น้องที่รักครับเรากลับมาพูดคุยกัน มาทําการศึกษากันในคําพูดที่ประเสริฐยิ่งก็คือคําพูดของพุ่อัลลอฮ์ผู้ทรงสงสงผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่มีกล่าวไว้ในคมภีร์ของพรว์ก็คือคัมภีรอัลกุรอานวันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนของซุราะอัลเลลูซึ่งจะเป็นตอนที่สี่ครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยไปแล้วในเรื่องของการสาบานซึ่งในซุราะนี้พุ่อัลลอฮ์ซุบฮานูอัตะลาได้สาบานด้วยกับสามอย่างด้วยกัน พงด้วยกับสาบานด้วยกับ3ามอย่างด้วยกันหลังจากที่จะอ ah ุบิลลามิชยตอนอิรัมบิสมิลลาราะห์มอญุรราะห์มวันไลลดากเชวันฮาลีดาเจลลวะมาคอลัะกรวุนซผู้รับผู้ส่งผง่งผู้ส่งยใหญ่ได้สาบานด้วยกับามอย่างว่าขอสาบานในยามด้วยกับยามค่ำคืนเมื่อมันค่อยๆมาปกคลุมแล้วขอสาบานในยามเช้าเมื่อมันได้สว่างแล้วแล้วขอสาบานด้วยกับสิ่งที่ พ, พูอรับสร้างทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทั้งเพศชายแล้วก็พเพศหญิง สาบานด้วยกับสามอย่างแล้วหลังจากนั้นพวกอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าครับพวกเราได้บอกว่าแน่นอนอินสายะกุมเดชัต่การงานของพวกท่านทั้งหลายของพวกเจ้าทั้งหลายนั้นน่ะมันมีหลากหลายมันมีทั้งการงานของคนที่ว่าทําพฤติกรรมที่ดีของพฤติกรรมที่ว่าทําไม่ดีมีทั้งที่ทําตอนกลางวันมีทั้งที่ทําตอนกลางคืนมีทําที่ว่าในเรื่องของการเรียนเมชีวิตมีทั้งที่เป็นเรื่องของอิบาดาห์มีเรื่องที่อัลลอฮ์มีเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์รักแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกอัลลอฮ์ทรงไม่รัก อินนัสะไอุนเมชเตการงานต่างๆของพวกเรานะ่ยมันมีมากมายมีหลากหลายครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่พงค์ได้ทรงสาบานด้ยวยกับ3อย่างด้ยวยกันพงค์ก็ได้พูดถึงคน2ประเภทซึ่งแต่ละประเภทพงษ์อลอสก็ได้ยกมาอย่างละ3อย่างเช่นเดียวกันซึ่งวนนี้ครับเราจะคุยกันครับหลังจากที่พงษบอกว่าฟัล ม, มามันอัลโวัดตะโกวัดซดดะกบิลฮุสนาะพอหลังจากที่พงค์ได้ทรงสาบานถึง3อย่างทั้งกลางวัน กลางคืนแล้วจากกลางคืนก่อนนะครับทั้งกลางคืนทั้งกลางวันแล้วก็ทั้งในสิ่งที่พวกเราระสร้างทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงทั้งหมดนั้นพวกเราบอกว่าไงครับฟ้ามามันอาตโตัตตะกอหัสตะกอบิลฮุสนะฟะซันยัสซีุลยุสรออันนี้คือที่เราพูดคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือส่วนบะดาผู้ที่เขาเลือกที่จะมอบหยิบยื่นให้กับผู้อื่นคือไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างที่เราทราบว่าท่านบีมอสโโลลอยสได้บอกว่ายาดุลอลยาไลุนมินยดลซุฟล มือบนนั้นอ่ะดีกว่ามือล่างการเป็นผู้ให้นั้นดีกว่าการเป็นผู้ที่รับฟัมามืนอัลโตวัตตะกอวัตซัดดะกะบิลฮุสนาผู้ที่เขาเลือกที่จะหยิบปืนให้แล้วก็มีความยำเกรงกลัวเกรงต่อพวงอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันครับวัตซัดดะกะบิลฮุสนาแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นกับความดีงามอัลฮุสนาผู้อัลลอฮ์หลังจากที่สาบานด้วยกับ3อย่างพว้อัลลอฮ์ก็พูดถึงกลุ่มชนที่พว้อัลลอฮ์รัก ซึ่งประกอบไปด้วยคุในลักษณะสามอย่างเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวต่อไปพวงละล้อก็จะพูดถึงกลุ่มชนที่พวงละทรงรังเกียรติซึ่งพวง ก, ก็กล่าวด้วยกับสามคุในลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับสี่อายะห์ที่อยู่ก่อนหน้า สอดคล้องกับการสาบานด้วยกับยามค่ำคืนเมื่อมันค่อยๆปกคลุมสอดคล้องกับการสาบานด้วยกับกลางวันตอนที่มันสว่างแล้วสอดคล้องกับการสาบานด้วยกับทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายแล้วก็ ส, สอดคล้องด้วยกับการสาบานด้วยกับการที่กล่าวถึงว่าการงานของเรานั้นหลากหลายพี่น้องที่รักยิ่งครับฝนมามันเอาต่อวัตตะให้ให้อะไรล่ะทําไมถึงต้องให้ล่ะการให้ในโลกนี้มีมากมายแม้แต่ตัวเราเองก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจที่พวกเราต้องตรวจสอบตัวเองนะครับว่าหลายครั้งที่ว่าเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นเราอาจจะให้ทรัพย์สินเราจะให้ความช่วยเหลือเราอา จ, จะให้ความสะดวกสบายเราอาจจะให้ความอบอุ่นเราอาจจะให้อะไรก็ตามแต่ที่เราให้เขาได้อาจจะเป็นความรู้ก็เป็นการให้หลายครั้งที่เราให้ไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในองค์การนี้ครับพุ่งล้อบอกไว้ครับว่าผู้ศรัท ธ, ธาที่พุ่งล้อรักนั้นเขาต้องพยายามรักษาตัวให้มีสติอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาก็ต้องตอบย้ํากับตัวเองว่าที่เขามอบให้นั้นวัตตะก่อเกิดมาจากเพราะเขากลัวเก่งต่อ All, อัลลอฮ์เพราะเขารัก All, อัลลอฮ์เพราะเขากลัวพวก All, พอัลลอฮ์เพราะเขาหวังต่อพวกอัลลอฮ์หมายความว่าพี่น้องที่รักครับเวลาเราให้อะไรใครก็ตามเราให้เพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพวกอัลลอฮ์มากขึ้นเราให้ผู้อื่นเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้มีความตักว่ายำเก่งมากยิ่งขึ้น เราให้ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อว่าให้แล้วจะได้มีคนมาเห็นมาชมชอบเราเราให้ผู้อื่นเราช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ว่าเพื่อจะมีคนไปพูดถึงมีคนไปโพสถึงมีคนมาทวีตถึงหรือว่ากล่าวถึงในไลน์ากล่าวถึงในเฟซว่าคนนั้นทําอย่างนั้นดีนะคนนี้ทําอย่างนี้ดีนะไม่ปรารถนาให้ใครมาเห็นด้วยซ้ําคือไม่ต้องมีใครรับรู้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องเคยมีไหมครับในบางโมเมนต์ในบางครั้งเนี่ยพอเราจะช่วยใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่รับรู้เนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่า อยากให้เขารับรู้หน่อยว่าเราช่วยเขานะบางโมเมนต์เราจะมีอย่างนั้นครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาครับรับรู้หรือไม่รับรู้ต่อให้เขาไม่รู้เลยก็ตามประเด็นที่สำคัญกว่านั้นประเด็นที่สำคัญกว่าว่าเขาจะรู้หรือเขาจะไม่รู้คือพวกอัลลอฮ์รับการงานของเราหรือเปล่าเพราะนั้นการให้มีมากมายเพราะนั้นการให้ของเราตลอดชีวิตของเราถ้าเกิดเราเป็นคนที่ใจบุญชอบให้การช่วยเหลือผู้อื่นอย่าลืมว่าเราต้องเพิ่มเข้าไป เหมือนกับเวลาปรุงอาหารเวลาให้ช่วย อ, อื่นให้ผู้อื่นเท้าความช่วยเหลือผู้อื่นก็เหมือนกับเราปรุงอาหารอย่าลืมใส่เกลือเข้าไปมันจะได้มีความอร่อยมันจะได้มีรสชาติมันจะได้มีคุณค่าเพราะนั่นการงานที่เราทํำปกติเราก็ช่วยคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายๆท่านที่มาเข้าร่วมเนี่ยต้องมีการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจำอยู่แล้วเวลาเราช่วยเหลือใครก็ตามอย่าลืมย้ําว่าที่ช่วยเนี่ยเพราะอยากจะใกล้ชิดกับพวกเรามากขึ้นถ้าเราตอกย้ํากับตัวเองอย่างนั้นเป็นประจํา อินชาอัลลอฮ์ครับทุกการให้นั้นจะเป็นความดีที่กลับมาสู่เราทั้งดุลยาแล้วก็อาคิรอไม่ใช่กลับแค่โลกหน้านะกลับมาตั้งแต่โลกดุลยาเลยเดี๋ยวจะมาพูดคุยในรายละเอียดครับอินชาอัลลอฮ์ทีละประเด็นทีละประเด็นครับสำหรับพี่น้องที่สละมาก็วายลิกุมุสลัมบรามตุลลอห์บาบารากกาตุนะครับมีพี่น้องหลายท่านสละมาแล้วผมไม่ได้ตอบแล้วก็ท่านอาจารย์ดาวุฒนะครับบอกว่าชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้นะครับก็อยู่ไม่เหี่ยมันกันหรือเปล่าอาจารย์นี่ยนะครับบารักัลลอฮีกลุมครับผม ทีนี้เรามาดูในอายะฮ์ที่หกครับว่าซัดดะกะบิลฮุสนาแล้วเขาก็มีความเชื่อเชื่อมัน่นพวกเขานั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามอัลฮุสนาอัลฮุสนาสิ่งที่ดีงามในที่นี้ประกอบไปด้วยอะไรล่ะมีทัศนะของนักวิชาการหลายทัศนะนะครับที่พูดถึงว่าอัลฮุสนานี้ที่บอกว่าเชื่อเชื่อถึงอะไรทัศนะแรกครับบอกว่าฮุสนาในที่นี้หมายถึงคำว่าลาอิละฮะอิลัลลอฮ์มุฮัมมัดอุสซุลลัฮ์คือผู้ที่ให้ แล้วก็มีความยำเกรงต่อพวะงอัลลอฮ์แล้วเขาก็เชื่อในการกล่าวกอริม่าชาฮาดาวะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เขาจะทําตัวให้อัลลอฮ์รักถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นทําอะไรไปมันก็ไม่ไร้คุณค่าพระเด็นวิชาการบาซุลก็มองว่า ว, วัลซัดแะก็บิลฮุสนาแล้วเขาก็เชื่อในสิ่งที่งดงามก็คือเขาเชื่อในกอริม่าไร้อัลลอฮ์หรือเขาเชื่อในเรื่องของเตหินิตการกราบไหว้พวะองอัลลอฮ์แต่เพียงพระ อ, องค์เดียวอีกความหมายหนึ่งที่เป็นไปได้ครับ อัลฮุสนาในที่นี้ก็คือเขาเชื่อในเรื่องของการตอบแทนเขามั่นใจว่าเมื่อเขามีการมอบให้กับผู้อื่นแล้วเขามีความตักวาต่อผู้อัลละฮ์ผร้อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาแน่นอนอันนี้คือตอบแทนด้วยกับผลละบุญในขณะเดียวกันครับฮุสนาในที่นี้ไม่ใช่แค่ผลละบุญที่ว่าอยู่ในโลกหน้าเท่านั้นแต่ก็คือการตอบแทนที่ผู้อัลลอฮ์จะมีให้ตั้งแต่ในดุลยาเลยการตอบแทนที่ว่าผู้อัลลอฮ์จะมีให้ตั้งแต่ในดุลยาเลย อธุสนาครับอีกหนึ่งความหมายครับวัสดกบิลอุสนาและเขาก็เชื่อมั่นในการมีอยู่ของสวรรค์พี่น้องที่รักยิ่งครับพูดกันตรงๆหลายครั้งที่ว่าเราเหมือนจะผมใช้คาว่าเหมือนจะเราเหมือนจะเชื่อว่ามีสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับเราไม่เชื่อว่ามีสวรรค์มันเป็นไปได้ไงครับบางครั้งเหมือนเราเชื่อว่ามีแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนเราเชื่อว่ามันไม่มี คำตอบก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งเราทําตัวในดุนยาเหมือนกับว่าเราอยู่ในดุนยาไปตลอดการเรายุ่งเกี่ยวกับดุนยาเรายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเรายุ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้เรายุ่งเกี่ยวกับการทํางานเรายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวเรายุ่งเกี่ยวกับสืบสวนไลนาเรายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเราเรายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ในดุนยาที่มันไม่ได้ส่งผลไป็นโรคอัคีโรคเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราศรัทธาว่ามีสวรรค์แต่ในขณะเดียวกัน ก็เหมือนกับเราไม่ศรัทธาว่ามีสวรรค์คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยากจะเข้าสวรรค์เพราะผู้เด ก, ก็ตามที่ศรัทธาว่ามีสวรรค์มีจริงเขาต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เข้าที่จะได้รับสวรรค์เพราะพี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดว่ามีคนเปล่าประกาศมีข่าวเชื่อถือได้เลยสมมติถ้าเกิดพี่น้องรับชมทาง f เฟซบ o ๊กทาง u t u b e ทางอะไรก็ตามถ้าเกิดทางบริษัทเขาประกาศออกมาเองเลยว่าเนี่ยนะอีกหนึ่งอาทิตย์จะมีการแจกเงิน จำนวนมหาศาลสําหรับใครก็ตามที่แค่ลงทะเบียนได้เลยพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าพี่น้องจะต้องลงส่วนตัวผมมองว่าตัวผมเองก็อาจจะลงด้วยซ้ํารีบลงเลยด้วยซ้ําเพราะถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่ามีจริงต้นข่าวเชื่อถือได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้เราไม่อยากได้สวรรค์กันเลยออยากได้สวรรค์กันแต่เมื่อมาดูในภาคปฏิบัติเราทําพฤติกรรมน้อยเหลือเกินเพื่อที่จะได้เข้าสวรของพวกวอหละแล้วพวกเราก็ยังคงทุ่มให้กับดุนยากันมากเกินไป อันนี้เป็นประเด็นที่วาเราต้องสำรวนตัวเองว่าวัสซ์เด็กกบิทโฮสนาเราเชื่อถึงการมีอยู่ของสวรรค์จริงหรือเปล่าหรือเราคิดเหมือนกับว่ามันเป็นนิยายปลำปลาที่ว่าเออถึงเวลาฉันก็คงได้มันแหละตอนนี้ฉันก็ทําดุลยยาปกติถึงเวลาฉันก็คงได้มันเหมือนกับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับคนที่ว่าคิดว่าตัวเองจะมีสุขภาพที่ดีแต่ตลอดชีวิตไม่เคยกินอาหารที่มีสุขภาพไม่เคยกินอาหารที่หลากหลายกินแต่อาหารประเภทเดียว แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันก็คงจะสุขภาพดีมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับกับส่วนของพุอรอแล้วก็วทสซดด็กก็เป็นพุสนาครับพุสนาในที่ก็แปลว่าการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดงามพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องของการมอบเนี่ยในเรื่องของการให้เนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับบุคคลใกล้ตัวพี่น้องลองสังเกตดูบุคคลใกล้ตัวคนที่ว่ารักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นชอบที่จะหยิบยื่นเอาให้กับผู้อื่น จะสอดของกับอายะกุรานอายักัดมาที่ว่าก่าวะไงครับฟัสานุยัสซิรูหุลิยุสรอเราจะให้เขาได้รับสิ่งง่ายๆอย่างง่ายๆเลยอะไรที่ว่ามาเป็นความสะดวกเนี่ยเขาจะได้ง่ายมาง่ายๆเลยเหมือนกับว่าบางทีเขากำลังมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาปุ๊บเหมือนจะไม่มีทางออกเราอยู่ใกล้ๆ ก, ก็คิดว่าเขาไม่น่าจะมีทางออกแต่เขาก็สามารถผ่านมันไปได้มีเรื่องเล่าครับผมเคยฟังบรรยายของเชกุสมานคอมิสนะครับ เฮียฮุนล้อนะครับขอล้อเมตตาท่า น, นะะให้สุขภาพท่านที่แข็งแรงนะครับเชคได้เล่าให้ฟังครับว่ามีเชครู้จักกับคนคนหนึ่งหรือเชคได้ฟังคนคนหนึ่งมาอีกทีนึงมีคนคนหนึ่งที่ว่าเขาชอบบริจาคชอบบริจาคแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเวลาใครมีปัญหาปุ๊บเขาจะช่วยถ้าที่เขามีความสามารถทีนี้ครับอยู่มาวันหนึ่งครับเขาได้ข่าวว่ามีมุสลิมคนหนึ่งกําลังเดือดร้อนแบบ สาหัสเลยสุดๆเลยเพราะเขาได้ยินปุ๊บเขาก็บอกว่าไงครับคนนั้นเขาต้องการเงินเท่าไหร่เลยก็มีคนบอกว่าต้องการ 10,000 เหรียญหนึ0 0หมื่ยาญก็ประมาณแสนหนึ่งคนคนนั้นครับเซ็นเช็คให้เลยแล้วก็บอกว่าให้เขาซะหวังว่าลอสจะให้ความช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากบททดสอบของเขาให้แบบไม่คิดอะไรเลยผลก็คือครับหลังจากนั้นไม่นานแบบแทบจะทันทีทันใดเลยเขาได้รับสายโทรศัพท์ เขาด้รสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์บอกว่าไงครับที่ดินของคุณที่คุณเคยประกาศจะขายอะที่ดินที่คุณเคยประกาศขายน่ะและที่คุณไม่ได้ขายสักทีตอนนี้มีคนสนใจแล้วนะ mm. ตอนแรกครับเขาต้องการแค่ล้านเหรียญที่ดินนั้นคนซื้อให้ราคามาสมล้านเหรียญสมล้านเรียญเขาได้มากกว่าที่เขาต้องการถึงสองล้านเรียญ น, นี่เป็นแค่ตัวอย่าง เล็กๆน้อยๆจากตัวอย่างมากมายไม่ใช่หมายความว่าบริจาคเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้สิ่งที่ดีทันทีในโลกนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรื่องเล่านี้เล่ามาเพื่อที่ให้เรารู้ว่ามันมีตัวอย่างมากมายที่ว่าบุคคลที่ว่ารักที่จะมอบให้กับชู้อื่นรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงเวลาที่เขามีปัญหาพวกอลก็ใช่เขาสามารถผ่านมันไปได้โดยที่เขาคิดไม่ถึงเดีซ้ําบางคนที่ว่ารักการให้จริงๆนะครับผมมีโอกาสได้ ไปสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วกันอ่าก็เป็นที่ที่เขาก า, ารละมาดกันก็มีคนที่มาละหามาดข้างๆผมก็สังเกตเหมือนกับว่าคนทําความสะอาดแถวน่าจะรู้จักเขาดีผมก็ไม่แน่ใจถึงเวลาบางคนก็จะมาทําความสะอาดใกล้ๆเข า, าอ่านกุรานอยู่เขาก็จะหยิบเงินจากในกระเป๋าตังค์คือในกระเป๋าเสื้อเขาเนี่ยจะมีเงินอยู่ประมาณฟ่อนหนึ่งที่ผมแอบแอบดูแบบคือมันก็เห็นเพราะโต๊ะมันเป็นสีค่อนข้างจาะใส่นะครับ เขาก็หยิบแล้วก็ยื่นให้พอมีใครมาปุ๊บเขาหยิบยืนย่นหยิบยืน่นหยิบยื่นโดยไม่รู้ว่าแบงค์อะไรพอผนสไลด์ยหยิบให้ปุ๊บหมดปุ๊บก็หมดคนก็พอดีนั่นคือบริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้ตัวอย่างมีมากมายครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญครับการให้จะเป็นการทําให้หัวใจของเราอ่อนโยนที่ดีที่สุดพี่น้องสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับใครเราจะยิ่งรู้สึกว่าเรา ไม่อยากจะให้ทรัพย์สินกับใครเลยฉันหวงแหนเหลือเกินฉันอยากจะมีทรัพย์สินนี้ถ้าเกิดฉันให้แล้วฉันจะเอาอะไรกินรือวฉันจะทําอะไรยังไงคือจะคิดไปร้อยแแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ที่ว่าเรายอมกัดฟันเลือดแถบกระอกักแล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือกับผู้อื่นอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้จะเป็นช่วยเหลืออะไรก็ได้สักอย่างพี่น้องสังเกตดูถ้าพี่น้องได้ช่วยเหลือเขาแล้วพี่น้องเห็นว่าเขาเนะี่ยมีความเป็นอยู่มีลักษณะมีอะไรที่ดีขึ้นทันที เราจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยเขาอันนี้เรียกว่าอีมานอันนี้เรียกว่าอีมานถ้าเกิดเราให้เพราะหวังว่าเราจะรักเราให้เพราะว่าหวังว่าเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องสังเกตดูครับถ้าเราช่วยเหลือใคร จ, จริงๆด้วยกับหัวใจที่สะอาดจริงจริงเราจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำแล้วในขณะเดียวกันครับความตะหนีความขี้เหนียวความยึดติดกับยุนยาของเรามันจะเบาบางลงมันจะเบาบางลง เพศสัณวยัติยุสรอยุสรอครับเราจะให้เขาได้รับความง่ายดายอย่างง่ายดายหมายความว่าไงครับเพราะเราจะให้เราได้หนทางไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่างง่ายๆบางทีอาจจะมีงานเข้ามาบางทีอาจจะออกจากที่ที่ไม่ดีเพื่อไปสู่ที่ที่ดีกว่าโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งความง่ายดายในที่นี้ครับที่นักปรชาการพูดกันมีอย่างน้อยอยู่3ความง่ายดายที่เราจะได้รับใครก็ตามเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ อยู่บนพื้นฐานของความตักวาที่มีต่อพระองค์องค์ละเมื่ออยู่บนพื้นฐานที่มีอยู่บนความตักวาก็แปลว่าเขาต้องทำเรื่องอื่นด้วยนะก็คือต้องมีการละหมาด ต, ต้องทําอย่างอื่นครบเท่าที่จะทําได้ด้วยแต่ก็คือประเด็นก็คือเริ่มด้ยวยกับว่าเรียนรู้ที่จะให้แล้วก็มีความตักวาแล้วก็เชื่อตามที่สิ่งที่อัลลอฮฺและเราซูนศา ส, สนทูตของพระองค์ได้บอกถ้ามีสมอย่างครับจะมีความง่ายดายสมอย่างที่เขาจะได้รับเลยอินชาอัลลอฮ์ครับผมความง่ายดายอย่างแรกครับ ความแยใดประการที่หนึ่งคืออะไรครับผมง่ายในการที่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรื่องที่เขาคิดเรื่องที่เขาอยากจะทําเรื่องที่เขาอยากจะได้มันจะง่ายสําหรับเขาถ้าเขามีโปรเจกต์อะไรถ้าเกิดเขามีอะไรถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ไว้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจําเขาจะทําอะไรมันก็จะง่ายไปเสมอไม่ใช่หมายความว่าไม่โดนบททดสอบนะบททดสอบมีแน่นอน แต่ไม่ว่าบททดสอบจะมาในรูปแบบไหนก็ตามเขาจะสามารถผ่านมันไปได้โดยที่ไม่เสียคนอันนี้คือยุสรอประกาศแรกที่เขาจะได้รับก็คือความง่ายได้ที่ได้รับไปอย่างง่ายๆก็คือจะผ่านพ้นความคับแคบจะผ่านพ้นบททดสอบจะผ่านพ้นความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างง่ายๆเลยเหมือนกับที่เรากล่าวไว้ครับในคุรานว่าเยะอะใจและวฮูมินอัมริยุสรอไม่อยอะต่กินและใครก็ตามยำเก่งต่อลรถ อ, อย่างแท้จริงพวกเะรถจะทําให้การงานทั้งหมดของเขานั้นง่ายได้ ง่ยได้ซึ่งกเหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้ที่ว่าเช็คเคเดร่าแล้วก็มีตัวเอกมากมายครับคนที่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจำคนที่ว่าใจบุญสุนทานเราจะพบว่ามักจะมีสุขภาพที่ดีมักจะมีอายุที่ค่อนข้างจะยืนแล้วก็ทําอะไรก็ง่ายได้ไปหมดความง่ายได้ประการที่2ครับก็คือการที่เขาจะไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะง่ายได้ขึ้นด้วยพี่น้องครับการทําความดีไม่ใช่แค่คิดจะทําความดีแล้วทุกคนจะทําได้นะ พี่ต้องเคยสังเกตไหมบางทีเราอยากจะช่วยเหลือใครจริงๆแต่บางทีเรามัวแต่ยึกยักยึกยัก ย, ก ย, กยักพ้อขมใจได้ว่าช่วยก็ช่วยบางทีไม่ทันได้ช่วยแล้วอาจจะมีคนอื่นมาช่วยไปก่อนหรือเขาอาจจะผ่านพ้นมาไปได้ก่อนบางทีเราก็มานั่งเสียใจว่าเสียดายว่าทําไมฉันไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดให้เร็วกว่า น, นี้การทําความดีก็ต้องหวังความเมตตาจากพู้อื่นล้อนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากทำความดีแล้วทาได้ทุกอย่างเหมือนกับบางท่านอยากลุกมาละหมาตหดต่ฮักยุดอาจจะไม่สามารถลุกมาได้ บางท่านแค่ละหมาดอยากจะลดมาละหมาดฟัชชัรือฟรัชชีในเวลายังเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเพราะนั้นการทําความดีไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆกันทุกคนคนที่ทําความดีอย่างง่ายๆพี่น้องไปสังเกตดูเลยเขาจะมี3ามคุณในลักษณะนี้ก็คือเป็นรักทียบเป็นผู้ให้มีความตักวากลัวเกงพว้รับร้อยอย่างแท้จริงแล้วเขาก็เชื่อตามสิ่งที่อรรถศูลนบอกคนที่มี3ามคุณในลักษณะนี้เวลาเขาอยากจะทําความดีอะไรรู้สึกเหมือนมันจะง่ายไปหมดเลย เหมือนกับหลายๆท่านที่ผมรู้จักตัวอย่างเยอะมากครับบางท่านกู้บานที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเงินเลยแล้วคิดไม่ออกด้วยว่าจะไปหาเงินที่ไหนแต่อยากทำกู้บานมากผลสุดท้ายครับเขาทําได้สามหุ้นพี่น้องคิดดูทําได้สามหุ้นอันนี้ผมเจอกับตัวไม่ใช่ตัวผมะนะหมายถือว่าไม่ใช่ผมที่ว่าได้ทําได้สมหุ้นเนี่ยแต่หมายถือว่าคนที่ผมว่าเนี่ยเป็นคนที่ผมสังเกตแล้วเขาครบสามเงื่อนไขนี่นแหละ รักที่จะเป็นผู้ให้ต่อให้่านะไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ร่ำรวยเลยเลยต่อให้ไม่ได้ลลไไดลลไร่ำรวยเลยเลยแต่ว่ารักที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นถ้าใครมาขอความช่วยเหลือเขาต้องพยายามช่วยให้ถึงที่สุดแล้วก็ครบทุกอย่างเลยแล้วผลก็คือพอจะทำอะไรที่มาเป็นความดีรู้สึกเหมือนจะง่ายเวลาไม่มีเงินปุ๊บแต่มีคนมาขออาจจะมาขอสลกก็ขอความช่วยเหลืออยู่มันก็มีเงินเข้ามาเงินเข้า ม, ามือขวาเขาก็หยิบยื่นให้ไปเลย เป็นตัวอย่างครับถึงเรื่องว่าการทําความดีเนี่ยถ้าบุคคลที่มีหัวใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพี่น้องไปสังเกตเลยถ้าเขาจะทําความดีอะไรเหมือนมันจะง่ายไปหมดเลยอยากทําอะไรก็ทําอยากลุก ม, มาตะฮัดยุตก็ได้นตะฮัดยุตอยากอา่อ า, รกรานอรรกุศลให้จบเล่มก็สามารถอ่านได้อยากทําความดีอะไรก็ทําได้ในขณะที่ว่าบุคคลที่ว่าเป็นคนที่ตรณีทีเหนียวคนที่ว่าไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นพี่น้องสังเกตดูพอจะทําความดียากนะ บางทีอยากจะานกุ่านให้จบเล่มเดือนรอมฎอนทั้งเดือนรอมฎอนอ่านยังไม่ถึงยุสก็มีเพราะมัวแต่ยุ่งธุรกิจติดกับวันนั้นเลยมันมีงานเข้ามาทาไมฉันจะทําความดีมันยากลําบากและเกินตอนแรกก็ว่างพอทิ้จะทำความดีปุ๊บอัลหลอ่อเดี๋ยวงานนั้นก็เข้ามาอันนี้ก็เข้ามาฉันทิ้งไม่ได้สักอย่างเลยผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นฟอซาโนยัซซิลูฮุลยุสรอเราจะให้เขาได้รับความง่ายไดย้อย่างง่ายไดย้ก็คือ ความหมายที่สองครับเวลาจะทำความดีเวลาจะช่วยเหลือผู้อื่นเขาสามารถทำมาได้อย่างง่ายๆเลยความหมายที่สอะไรละครับที่ว่าในเรื่องที่ว่าได้รับอย่างง่ายๆภายหลังจากความตายของเขาทุกอย่างจะง่ายได้หมดเลยฟาสานุยัสซิรูลิรุสรอเรใช้เขาได้รับความง่ายไดย้อย่างง่ายไดย้ง่ายไดย้นทีนี้ก็คือขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตไป พี่น้องครับพี่น้องลองจินตนาการจริงจังสักทีถ้าเกิดคคืนนี้พี่น้องมีเวลานะพี่น้องหลับไปก่อนแล้วตื่นมาหรือว่าสักเที่ยงคืนดึกๆพี่น้องลองมานั่งคิดดูว่าถ้าเราตายตอนนี้อะไรบ้างจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราตายตอนนี้อะไรจะเกิด ข, ขึ้นบ้างถ้าเราตายตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไรั๊ะดึงวิ ญ, ญญาณเราอันนี้คือเกิดขึ้นแน่นอนจะดึงยังไงล่ะเรารู้กันดีครับมีดึงแบบว่าดึงวิ ญ, ญญาณคนดีอย่างง่ายๆกับกระชากวิญญาณคนไม่ดี เรารู้ว่าขึ้นไปบนฟากฟ้าขึ้นไปยังบันทึกตรงไอ้ลีจินสําหรับคนดีหรือว่าถูกบันทึกในอซิจีนแล้วก็ถูกโยนลงมาเหมือนพาคิลิวเรารู้ว่าจะมีการถูกสอบถามมันรับนุแ ก, กามาดีนุ ก, กามันเดบิวแก่เรารู้ว่ามีคนตอบได้เรารู้ว่ามีคนตอบไม่ได้แล้วเราแหละพี่น้องเคยนั่งคิดจริงๆจังๆไหมว่าเราแหละตอนนี้ถ้าเกิดเราเสียชีวิตตอนนี้เราอยู่แผนกไหนหลังจากนั้นจะมีกลุ่มที่ว่าถูก หลงเทวดใช่ไหมมีถูกเทวดาไดรับความผาสุกใช่ไหมถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเส้นทางที่ว่ามันจะเกิดขึ้นยังอีกยาวแล้พี่น้องตอนนี้สิ่งที่มันรอคอยเราตามตัวบทที่เราดูมันขนทางอีกยาวไกลามากๆากเลยยาวไกลจนถึงขั้นว่าชีวิตเราในดุนยาทั้งหมด ม, มันเหมือนกับพริบตาเดียวจริงๆริงมั น, มนจิ๊บจ่อยมากๆเลยเรามีการถูกดินวิญญาณก่อนถูกดินวิญญาณก็มีสการ์ตนเมาส์ ความทรมานเกินที่จะเสียชีวิตหลังจากนั้นก็มีความตายใช่ไหมหลังจากนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นในอาลัมบาราซักโลกหลังความตายหลังจากนั้นมีอะไรครับถูกฟื้นคืนชีพเป่าเขาหลังจากนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมายังไม่ถูกสอบสวนระยะเวลายาวนานมากกว่าตลอดชีวิตที่เราอยู่ในดุนยานานเข้าไปพิสศษช่วยเมื่อคินเลยเวลานจะยาวนานไปมากครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องอยู่ในโลกในช่วงของวันเกียรมะรอที่จะได้ถูกสอบสวน ยาวนานกว่าตลอดอายุไขของพวกเรานานขนาดไหนไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าห ว, วันในวันของการสอบสวนเท่ากับ5 0,000 ปีของโลกนี้รอไปเลยพี่น้องหลังจากนั้นพอท่านอับดุลเสลิไปขออภัยผู้เราเริ่มในการสอบสวนก็มีการหยิบยื่นรับบัญชีหลังจากมีการบันทึกเป็นการตรวจสอบมีการตรวจสอบผู้มีการไป ส, สอบสวนมีเรื่องของบอ่อน้ํามีขั้นตอนยังอีกมากมายพี่น้องลองคิดดูคือสิ่งที่กําลังรอพวกเราอยู่มันอีกเยอะมากเลย มีการดึงสวรรค์มาให้ดูมีการลากนรกมาให้ดูเราเห็นสภาพท้องฟ้าแหลกสลายเราเห็นสภาพทุกอย่างทุกอย่างเราไปถึงสะพานลราไปถึงกอนตทราเราข้ามสะพานซีรอดหนทางยี่ยาวไกลครับแต่ว่าพวกเราก็ยังคงยึดติดกับดุนยาอยู่พี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยนะเพราะฉนั้นฟสนุยสิริลินยุสรอเราจะให้เขาได้รับความง่ายใดอย่างง่ายดายอย่างง่ายดายเลยสำหรับผู้ที่ว่าครบสามเงื่อนไข เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เรียนรู้ที่จะเป็นมือบนแล้วก็มีความตักวาตักวาอย่างที่บอกก็คือว่ากลัวพงศลลรักพงศลลหวังความเมตตาความช่วยเหลือจากพงศลนั่นคือเรียกว่าตักวาหลังจากนั้นก็เชื่อมั่นในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พงศลบอกเชื่อมั่นในอลลัลลอฮเชื่อมั่นในคําสอนที่พงศลแล้วลก็น บ, บีนามานั่นคือบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือครับท่านนบีอัลลอฮ์อิสลามได้กล่าวไว้นะครับพี่น้อง ในบันทึกอยมาบุคคลมามุสลิมครัว่าทุกๆวันในทุกๆวันที่ยังมีตอนเช้าอยู่ในทุกๆวันที่ยังมีตอนเช้าอยู่ก็คือทุกวันนั่นแหละมามินยวมินยุสบิฮุลไอบะดูฟีฮีอิลลามะลาแกนยันซีเลนท่านนบีมุสลลัลของในสลัมบอกว่าไม่มีวันไหนเลยที่ว่าบ่าวยังคงตื่นมาในตอนเช้านอกจากจะต้องมีมาลาแกาสองท่านลงมาด้วย แปะให้เข้าใจง่ายก็คือว่าทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่มีมารายาการลงมาสองท่านสองท่านสองท่านนี้ลงมาทําอะไรเหี่คือมารายาการของพว้อาลลอฮ์มีมากมายแต่และท่านมีหน้าที่สองท่านนี้มีหน้าที่ลงมาทุกเช้าทุกเช้าทุกเชา้าโดยที่มารายาการท่านแรกจะบอกว่าไงครับขอรับาจากอาลลอฮ์ครับเฟย์กุลูอาฮุดฮุมะอลัลลอฮุมะตีมุฟ ก, กันคาละฟัน มาลกาท่านแรกครับจะขอดัวาจากพวกวเราครับว่าอลวลเหรโปรดหยิบยื่นให้กับผู้ที่เขารักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ว่าใช้จ่ายเพื่อผู้อื่นเขาหละฟันให้เขาได้รับสิ่งดีงามที่มันเพิ่มพูนขึ้นไปอีกมานนกโซมาลุนิเซอร์กาตินเหครับที่ท่านบีมัสเตอร บ, บอกไว้เขาว่าทรัพย์สินที่ใช้จ่ายใช้จ่ายไปเพื่ออลัลลอฮ์นั้นมันไม่มีหลั นี่มาเิกาลงมาทุกวันขอดัวให้กับพวกเราที่ได้ทําการช่วยเหลือผู้อื่นขอดัวว่าไงขอให้เราได้มีสิ่งที่ดีงามเพิ่มขึ้นขอให้เรามีทรัพย์สินที่ว่าเพิ่มขึ้นใครขอมาเลก้าขอขอครั้งเดียวเหรอทุกวันทุกเช้ า, ามาเลกาลงมาสองท่านใช่ไหมครับอันนี้คือท่านแรกนะท่านแรกคือลงมาขอดัวว่าโอ้ล้อปวดให้ ผู้ที่ว่าเรียนรู้ที่จะมอบให้กับผู้อื่นช่วยเหลือหยิบพี่นความช่วยเหลือกับผู้อื่นเนี่ยปรบมอบสิ่งดีงามเพิ่มพูมให้กับเขามาละก้าอีกขั้นครับอัลลอฮุมมะตีมุมซีกันตด้ล้ฟันมาละก้าท่านที่สองครับขอดุอาจากพ ว, ก Allah, ว้อัลลอฮ์โอ้พอัลลอฮ์แล้วก็ใครก็ตามที่ว่าเป็นผู้ที่ตรนีที่เหนียวชอบยึดติดกับทรัพย์สินครับสมบัติของตัวเองเนี่ยจะให้ใครนี่คือคิดแล้วคิดอีก จะช่วยเหลือใครนี่ฉันได้รับผลประโยชน์ไม่ทํำไมฉันต้องช่วยเหลือมันมันยังไม่เห็นช่วยเหลือฉันมัน ย, ยังคือคิดสารพัดมาเลกาขอดูอะทุกวันว่าไงครับใครก็ตามที่ว่ากรณีทีเหนียวไม่ยอมช่วยเหลือยิบยืนความช่วยเหลือให้กับใครเนี่ยขอให้เขาพบกับการสูญเสียมาเลกาขอทุกวันขอทุกวันไม่รู้ว่าเราโดนได้รับดูอาของมาเลกาท่าไหนบ้างในแต่ละวันแต่พี่น้องสังเกตดูครับผม คนที่ตระหนี่ทีเหนียวครับถ้าเขาตระหนี่ทีเหนียวกับทรัพย์สินถึงเวลาทรัพย์สินจะมีที่ไปเข้ามันเองบางทีเป็นที่ไปที่เขาคาดไม่ถึงอย่างตอนนี้เอาง่ายๆเลยหลายๆเคสครับถ้าเข้าโรงพยาบาลทีสมัยนี้ว่ากันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ถึงขั้นล้านได้บางทีเก็บเงินเยอะแยะก็คือก็จบกับเรื่องการรักษาบางคนก็ยังคิดไม่ออกบางคนก็คิดว่าโอ้ดีนะที่ฉันเก็บเงินคงไม่มีไปจ่าย ไม่ได้มองมุมกลับว่าบางทีถ้าเราเรียนรู้ที่จะมอบให้ตั้งแต่แรกแล้วอาจจะไม่ต้องมาอยู่ในจุดนี้ก็ได้คนที่มองไม่เห็นเขาก็จะมองไม่เห็นคนที่มองเห็นเขาก็จะมองเห็นเพราะนั้นครับพี่น้องที่รักอย่าดูถูกนะเราชอบใช่ไหมเวลามีคนดีๆขอดูอาเนี่ยผมเห็นพี่น้องหลายท่านชอบมาให้คนดีๆขอดูอาอาจจะเป็นอาจารย์ที่ตนเองรักอาจจะเป็นใครก็ตามแต่ อาจารย์ช่วยดูอาให้หน่อยฉันกำลังเดือดร้อนอาจารย์ช่วยดูอาให้หน่อยเนี่ยลูกฉันกำลังจะสอบอาจารย์ดูอาอย่างเงี้ยอาจารย์ดูอาอย่างนี้นาอาอานมาขอคนดีๆ ด, ดูอาเพราะเราหวังว่าอินชาอัลลอฮ์พวกอัลลอฮ์น่าจะตอบรับอันนี้ยิ่งกว่าคนดีๆอันนี้คือมาอะไรแกที่พวกอัลลอ์มอบหมายตำแหน่งนี้มาให้โดยเฉพาะเลยขอเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอัลลอฮุมะตีมุฟิกันคาลัฟันอัลลอฮุมตีมุิกันตลฟัน โอ๋เหรบุคคลที่ว่าเขาชอบที่จะรักที่จะยื้อพิ้นความช่วเหลือลกับผู้อื่นเนี่ยขอให้เขามีความเพิ่มพูนส่วนบุคคลใดที่ว่าเขาตรณีถีเนียวเนี่ยขอให้เขามีแต่ความเสียหายแล้วก็ขาดทุนนี่คือดูอาที่ว่าไม่รู้ว่าเราได้รับวักไหนไปแล้วบ้างใครที่ได้รับจากขั้นแรกอัลฮัมดุลิลละส่วนใครที่ได้รับจากวักที่สองก็ฟาละตาลัวมั na, a, นนะอิลลานัลสาอยาดิโทษใครนอกจากตัวของเขาเองครับก็ขอดูอาจากนั้นเราเราอดพ้นครับผม แล้วก็พี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อเรามาดูในยักุการานที่ว่าฟายัสซีฮูลิยุสรอแล้วจะให้เขาได้รับความง่ายใดอย่างง่ายใดเมื่อกี้ผมบอกมีสามความหมายใช่ไหมความหมายแรกก็คืออะไรก็ตามที่เขาทำในชีวิตของเขานะ่มันง่ายไปหมดอันที่สองคือเวลาเขาจะทำความดีช่วยเหลือใครมันก็ง่ายไปหมดแล้วก็อันที่สามก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เขาเสียชีวิต จนถึงเขาได้เข้าสวรรค์ทุกขั้นตอนจะง่ายได้หมดเลยแม้แต่ข้ามสะพานซีรอซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันดีครับว่าสะพานซรอดท่านอบีุลลาห์สาบอกว่าบางอย่างกับเส้นผมคมยิ่งกว่าใบมีดและพี่น้องคิดดูว่าสะพานยาวมากแล้วแล้วมันถ้าเราจินตนาการใช้สติปัญญานน้อยของเราเนี่ยมันข้ามไม่ได้หรอกพี่น้องไม่มีใครข้ามได้หรอกถ้าเกิดคิดตามกด สามัญสํานึกของดุนยาปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครข้ามได้ผู้ที่จะข้ามไปได้คือผู้ที่พวกร้อเมตตาคือถึงเวลาข้ามปุ๊กก็ข้ามแวบไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ำนั่นคือความง่ายดายแล้วก็ในเรื่องของความง่ายดายนะครับพี่น้องเวลาคนที่รักในการทําอิบาดะอะไรสักอย่างพี่น้องสังเกตดูเขาจะรักในการทําอิบาระอย่างอื่นด้วยนักวิชาการมีคำพูดวักหนึ่งที่บอกว่าอตตอะตุตเชลบุตาะะอัลอุครอหรือว่าอัลอิบาระ แต่จะรู öt, อัลอิบะดาอัลุคราะการทําอิบาด า, าดหนึ่งเนี่ยมันจะไปดึงการทําอิบดะดาอย่างอื่นมาด้วยคือถ้าเกิดเราทําอะไรสักอย่างถ้าเกิดใครรักที่จะละหมาดสมมติ pushing, ว่าตลอดชีวิตไม่เคยไม่เคยละหมาดเลยแล้วพุ่งล้อให้ยิดายะเปิดใจแล้วเริ่มมาทําการละหมาดแล้วเริ่มรักที่จะละหมาดคนคนนั้นจะเริ่มรักที่ว่าอยากจะทําอย่างอื่นมากขึ้นโอดฉนอ่ากุรานแล้วเอ้ยวันนี้ฉันมีเวลาฉันอยากอ่านอาัลกุรานหลังจากที่ฉันละหมาดแล้วอยากอ่านกุรานเอ้ยฉันอยากระลึกถ ช้าฉันอยากละหมาดซุนนะถ้าฉันอยากจะทําความดีอย่างนั้นมันจะดึงกันมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับความชั่วร้ายก็จะดึงความชั่วร้ายมาด้วยพี่น้องสังเกตดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจนง่ายที่สุดที่ว่ามีคนมาปรึกษามากที่สุดเคสนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงพี่น้องสังเกตดูหลายๆคู่เหมือนกันครับความชั่วร้ายหนึ่งจะดึงความชั่วร้ายอื่นมา ตอนแรกตอนอยู่กันตามลาพังผู้ชายผู้หญิงตอนแรกก็คือแค่ได้คุยกันก็รู้สึกมีความสุขและ ห, หลังจากนั้นก็อยากอยู่กันตามลาพังหลังจากนั้นก็อยากสัมผัสตัวกันหลังจากนั้นก็อยากอยากแล้วก็มันจะมาเรื่อยๆความชั่วร้ายจะไม่หยุดเพียงแค่หนึ่งเดียวถ้าทําความชั่วร้ายสักหนึ่งอย่างมันจะดึงพวกพ้องมาอีกเยอะเลยเหมือนการโกหกถ้าพี่น้องโกหกสักหนึ่งเรื่องพี่น้องตั้งแต่งเรื่องอีกเป็นสิอย่างเพื่อการโกหกเรื่องเดียวของเรา ความชั่วร้ายหนึ่งมักจะดึงความชั่วร้ายอื่นๆมาด้วยเสมอเช่นเดียวกันกับความดีงามหนึ่งก็จะดึงความดีงามอื่นๆมาด้วยเสมออินัสซาละตันฮะอินฟาชัอุลมุกัรวลบักการละมาดนั้นจะห้ามปามจากการทําความชั่วร้ายนี่ก็คือการดึงความดีงามอื่นๆมาด้วยการที่ทําให้เรารู้สึกช ง, งักเวลาที่เราจะทําอะไรที่มันฮารอมถ้าคนที่ทําอิบานะอะไรถ้าเริ่มเปิดใจให้กับผู้ล้อถ้าเริ่มตลบา สังเกตดูครับพอเราจะทําความชั่วอะไรสักอยาก profiles, ่างเราจะเริ่มรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจมันรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าใครที่ทําชั่วความชั่วร้ายเลยสักอย่างแล้วเคยชินกับมันอย่างดาว่าคนอื่นหรือดินท้าคนอื่นบ่อยๆถึงเวลาเขาจะทำมันได้อย่างไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแล้วก็จะหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นแล้วก็หนักเล่าขึ้นเรื่อยๆครับเดวุสบินแลมเบนไดร์ลิกก็ขอเพื่อเลาคมครอเราให้เราพ้นจากกันเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านั้นที่ว่าไปทําความชั่วร้ายแล้วก็ไปดึงความชั่วร้ายตามมาเรื่อยๆ ครับนี่คือที่ลักกาไว้ว่าคามมมมนอาต ว, วัตรกวาสัตดะกบิลฮุสนาฟะซานุยะซิรุหูนิลยุสรอใครก็ตามที่ว่าให้แล้วก็มีความตักวาแล้วเขาก็เชื่อในความดีงามเขาจะได้แต่สิ่งดีงามอย่างง่ายๆนิลลัดีนอามุลฮุสนาบะซียะดาเนลกุรานในออายกุรานเขาพูดกาว่าสำหรับผู้ที่สัตตาแล้วก็เขามีความยบเกรงต่อร้อนนะครับ เขาจะได้รับฮุสนาวาซิอาดาฮุสนาก็คือได้รับสวรรค์ตบซีดอธิบายว่าได้รับสวรรค์ฮุสนาแปลว่าสวรรค์ได้เช่นเดียวกันบาซิอาดาแล้วก็ได้ของแถมปกติของแถมนี่จะเป็นของที่ราคาถูกกว่าของที่เราซื้อใช่ไหมครับในดุนยาอย่างซื้อของอะไรใหญ่ๆจะมีของแถมเล็กๆแต่สําหรับผู้อัลลอฮ์ครับลิลลรีนัมฮุสนาวาซิอาดาสำหรับผู้ทศรัทธานั้นเขาจะได้สวรรค์วาซิอาดาของแถมเข้ามาก็คือการ เห็นผู้องค์ละลอสุบฮามุตะลาการเห็นใบหน้าของพู้องค์ละลอซึ่งท่านเบียร์วัสซาเลซามบอกว่ามันจะทําให้เขาหลลืมความผาสุกทั้งหมดที่เขาได้ในสวรรค์เลยคือมันยิ่งกว่าการที่เขาได้อยู่ในสวรรค์ทั้งหมดสิแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับมุสลิมทุกคนเราจะได้เสียด้าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เข้าสวรรค์นะครับผมอย่าลืมนะครับว่านรกไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่ตั้งพากีต่อพู้องค์ละลอซ์ครับอายะต่อมาครับผู้ละลอซ์ก็ได้กล่าวถึงอีกสม คุณลักษณะคือสามคุณลักษณะแรกสามคุณลักษณะที่พวกงอัลลอ์รักสามคุณลักษณะต่อมาคือสามคุณลักษณะของผู้ที่พวกงอัลลอ์รังเกียจว่อัลมามัมบัคิลาเวสต์เนเวกัลเดอะบิลฮุสนเฟอร์นุยสีรูฮูลิลาอุสรอเปลี่ยนคำนิดเดียวจากยุสรอเป็นอุสรอเปลี่ยนจากย่าเป็นอินความหมายคนละเรื่องเลย เราล็อกสงเกตไว้เลยครับผู้ชงส่วนตัวได้กล่าวว่าครับว่าส่วนใครก็ตามที่เขาตระหนีคือที่ที่ควรใช้ไม่ใช้ที่ที่ไม่ควรใช้ไปใช้คนตระหนีนี้เข้าข่ายหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ยอมจ่ายอย่างเดียวนะแต่คนที่จ่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเวลาบริจาคเอาน้อยที่สุดเท่ี่เป็นไปได้แต่เวลาไปอะไรที่ว่าเป็นความเสพสุขส่วนตัวในหลักหมื่นหลักแสนนี่ทุ่มหมดหน้าตัก นี่ก็เข้าข่ตระหนี่ทีเหนียวตระหนี่ทีเหนียวในการทําความดีว่ามันบาขีล่ใครก็ตามที่ตะหนี่ทีเหนียวพี่น้องศิลักครับคุณนลักษณะที่สองที่พวกแล้วแกวต่อมาเนี่ยมันสอดคล้องกันแล้วมันทําให้เห็นภาพว่าความชั่วร้ายมันจะดึงพวกพ้องกันมาจริงๆเพราะกะว่าส่วนใครก็ตามที่เขามีความตระหนี่ทีเหนียวแล้วก็มีความหยิ่งยะโสมักจะคู่กันคนที่ตะหนี่ทีเหนียว มักจะเป็นคนที่ว่าเขาเน่มีพอที่จะให้ได้แต่เขาไม่ให้เพราะเขากลัวหมดบุคคลประเภทนี้มักจะมีคนนลักษณะอิสระเนคิดว่าตนเองนั้นแะเหนือกว่านคนอื่นแน่กว่าตอนอื่นพอเพียงด้วยกับตัวเองฉันอยู่ของฉันได้ฉันไม่ต้องไปยุ่งสังคมกับใครทำไมฉันต้องไปช่วยคนอื่นด้วยฉันช่วยแค่ตัวของฉันก็พอฉันช่วยแค่ครอบครัวของฉันก็พอสองคนนลักษณะนี้มักจะคู่กันตรณีทีเหนียวแล้วก็หลง ลำพองใจว่าตนเองนั้นแน่ฉันน่ะแน่ด้วยตัวของฉันเองอย่างดูปัจจุบันครับเจอโควิดไปที่ว่าแน่ๆลม้มคืนกันเยอะนะครับผมว่ามัมับบอร์ลาว์ัสดารนะวากาสตาบิบิลฮุสนาคุณลักษณะที่ต่อมาข้อที่สามก็สอดตรงกันข้ามกับสามกลุ่มแรกกลุ่มแรกนี้ผู้ให้แล้วตั ก, กว่าตั ก, กวาก็คือเชื้อมันต่อแล้วกลุ่มที่สองนี่คือผู้ที่ไม่ให้ แล้วก็คิดว่าตัวเองแน่ก็คือไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์อันที่3ที่ตามมาก็คือแล้วเขาก็ปฏิเสธในความดีความดีทุกอย่างที่เราพูดมาข้างต้นครับความหมายสอดของใช้ได้หมดเลยความดีไม่จะเกี่ยวกับการเตหิดเกี่ยวกับการมล า, ายในอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่จะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นการตอบแทนความดีงามทั้งหมดกลุ่มนี้เขาไม่เชื่อเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธเพราะคนที่ตระหนีพอไปถามถามเขาว่าทําไมไม่บริจาคและอัลลอฮ์จะได้รัก ถ้าเป็นผู้สแธาครับใจก็จะเริ่มอ่อนลงมาอาจจะมีข้ออ้งให้ตัวเองแต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะให้คืออย่างไรมุสซิมเราเราก็จะยังมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ยมีความรู้สึกผิดอยู่ถ้าเกิดไม่ได้ช่วยใครที่ว่าเราควรจะช่วยแต่ถ้าเป็นกลุ่มประเภทนี้ครับเขาเปฏิเสธสิ้นแล้วไม่สนใจอะไรแล้วสวรรค์นรกอะไรฉันไม่สนถึงเวลาฉันเอาโลกนี้ให้ดีที่สุดโลกหน้าเดี๋ยวฉันจะเข้าสวรรค์ให้ดูอันนี้คือหลอกตัวเอง เพราะเขาเลครับฟาซาโนยาซิรูฮุลิลอุสรอเราก็จะให้พวกเขาเราชะก็เราก็จะให้เขานั้นได้รับความยากลำบากอย่างง่ายได้เมื่อกี้คือได้รับความง่ายได้อย่างง่ายๆทําทอะไรที่มันดีๆมันง่ายไปหมดเลยอันนี้กลับกลายไปว่าทําอะไรที่มันลำบากนะ่ยง่ายหมดเลยคือจะทําอะไรก็ติดทานั้นก็ติดทำนั้นก็ต้องยัดเงินไตโต้ไม่งั้นไม่หลอดไม่พ้น ยัดเยียไตโต้ตเสร็จเดีวไปตรงนู้นอาจเกิดอุบัติเหตุต้องเอาเงินไปจ่ายอีกดี๋ยวไปตรงนู้นอีกธุรกิจออาไปไม่ได้อาบมีการาก่อวอดอีกเดี๋ยวมีปัญหามีแต่ปัญหาเข้ามาถาถมพี่น้องสังเกตดูถ้าเมื่อไหร่ที่ปัญหามันเข้ามาถาถมเราเยอะเกินไปตรวจสอบตัวเองว่าช่วงนั้นน่ะเราละทิ้งการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมลองสังเกตตัวเองดูเพราอมุสลิมเราต่อให้เราเดือดร้อนถ้าเราพอจะช่วยใครได้เราก็จะช่วยนี่นคือมุสลิม แต่ถ้าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต่อให้เขาไม่เดือดร้อนเขาก็จะคิดว่าเขาเดือดร้อนช่วยใครไม่ได้นี่คือศัตธรรมครับอันนี้คือศัตธรรมจริงๆเขาจะได้รับความยากลำบากแบบง่ายๆพี่น้องที่รักอย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับพงศลพงศ์ได้ทรงสาบานด้วยกับสามอย่างแล้วพงศ์ก็ได้กล่าวว่าการงานของพวกเรานะมันหลากหลาย หลากหลายแต่ถ้าเกิดจะแบ่งมันก็แบ่งได้แค่2กลุ่มนั่นแหละเป็นการงานที่ทําให้พวกเราล้อรักหรือเป็นการงานที่ทําให้พวกเราล้อรังเกียจตลอดชีวิตเราอ่ะมีแค่นี้แหละวันนี้ของพี่น้องมีแค่2ประเภทการงานที่เราทําไม่ทําให้พวกเราล้อรักก็ทําให้พวกเราล้อรังเกียจไม่ทําให้เป็นการเพิ่มพูนตาช่างของเราให้มันหนักขึ้นก็ทําให้ตาช่างของเราเบเาลง ม, มีแค่2การงานมีแค่2ประเภท มีแค่สองประเภทพี่นักที่รักยิ่งครับความยากลำบากในที่เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงความง่ายดายใช่ไหมความง่ายดายเนี่ยมันมีหลายแบบเราสรุปมามีสามแบบความยากลำบากมีสองแบบครับที่ว่าเขาจะได้สำหรับใครก็ตามที่ตรณีทีเหนียวแล้วคิดว่าตนเองนันแน่แล้วแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อในคำสั่งใช้ของพระองค์ล้แล้วก็คสั่งใช้ของศาสนาทูตของพระองค์ เขาจะได้รับความยากลําบากอย่างง่ายได้อยย่่าางงาๆเลยความยากลาบากที่เขาจะได้รับมีสองอย่างมีสองอย่างอะไรบ้างครับประการแรกก็คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็จะพบแต่ความติดขัดไปหมดทําอะไรก็พบแต่ความยากลําบากจะใช้ชีวิตรู้สึกชีวิตมันอยู่ยากเดี๋ยวต้องไปอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปประจบสพอพลอคนนี้เดี๋ยวต้องไปเลียแคลงเลียขาคนนั้นเดี๋ยวต้องสารพัดคือรู้สึกว่ามันติด ๆ, ๆ, ๆไปหมดที่ว่าจะทางสะดวกเนี่ย น, น้อยเหมือนกับที่เราได้สงกรานในกุหลาบในสลต่อฮาครับ و َ م َ ن أ ع ر َ ض َ أ َ ن ذ ِ ك ْ ر ِ ي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً د َ ن ج ع وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ع َ ا م ا قَالَ رَبِّ ل ِ م َ ح ش َ ر ْ ت َ ن ِ ي أَعْمَى وَقَدْ ك ُ ن ت ُ ب َ ص ِ ي ر َ ا قَالَ ق ََ ل ِ ك َ أ ت َ ك َ آيَاتُنَا ف ََ س ِ ي ت َ ه َ ا و َ ق ََ ا ل ِ ك َ الْيَوْمَ ت ُ ن س َ ى و َ ذ ََ ل ِ ك َ نَتَزِي م َ ن أَصْرَفَ وَلَمْ ي ُ ؤ ْ م ِ ن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَ พระวรดิกล่าวไว้คในสรรต่อห้ายะหนึี่1 2 4ถึงหนึซึ่งมีความว่าแล้วใครก็ตามที่เขาออกห่างจากการลำลึกถึงค่าคือออกห่างจากการทำอะไรก็ตามเพื่อเป็นการที่ทำตัวให้อยู่ใกล้ชิดกับพระ์อรล์ออกห่างจากการหยิบยื่นความชื่นเลี้ยกับผู้อื่นออกห่างจากการที่จะมีความตักวาต่อพระวรรล์ออกห่างจากการที่จะมีความเชื่อมั่นแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพระล์ ใครก็ตามที่ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้พวกเราบอกไงครับฟะอินน่าละหูมาอีชะตันดงเเขานั้นจะได้รับชีวิตที่คับแคบคับแคบในกุรันใช้คําอีกคํานึงครับว่าฟะการะมาเยสราอดุดฟิสมะเหมือนกับว่าการที่ขึ้นไปบนฟากฟ้ า, ฟาคือยิ่งขึ้นไปที่สูงอ่ะบรรยากาศมันเริ่มเบาบางหายใจจะเริ่มลําบากพวกเราเปรปียบเทียบชีวิตการไปอยู่ที่ลําบากแล้วไปโลกหน้าก็ตาบอดด้วยซ้ำอันนี้คือทําอะไรก็ยากไปหมด อันนี้ประเภทแรกประเภทที่สองครับหนักกว่านั้นน่ากลัวกว่านั้นความยากลำบากที่เขาจะได้รับก็คือการที่พวกล้อจดทิ้งเขาไปเลยทิ้งเขาพี่น้องที่รักครับพี่น้องที่รัก วะ لك وني وينخب وَإِنَّ الَّذِينَ ا, إ ش ْ ت َ ر َ و ُ ا ل, ا ل, أ ل, ل ا ْ ك ُ ف ْ ر َ بِالْإِيمَانِ لَا يَدْرُرُ اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْصَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ل, ل ِ ي َْ د و َ و ل َ ه ُ ذ ا ب م ه ِ ي ن ความยากลาบารูปแบบที่สองที่เขาจะได้รับก็คือการที่พระเจาจะปล่อยทิ ให้เขาอยู่กับทรัพย์สินของเขาให้เขาอยู่กับความมั่งคั่งของเขาให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างทํามันง่ายได้ไทำไมทําความชั่วไม่เคยเจออะไรเลยเนี่ยทาไมฉันละหมาดก็ไม่ละหมาดชีวิตฉันก็มีความสุขธุรกิจก็รวยเอารวยเอาฉันไปด่าว่าคนอื่นฉันไปทําซีนาฉันทาความชั่วสารพัดแต่ชีวิตฉันก็มีความผาสุกพี่น้องนั่นนี่คืออันตรายที่สุดแล้วนั่นคืออันตรายที่สุดแล้วครับซึ่ง ท่านฮัสซันบัสรีนะครับท่านได้พูดไว้นะครับว่ายาอัลมาอาซียาอัลมาอาสีลาลาตัตัลูบิสุคุติลลาฮิอันกุมฟาโล่อัพับบักุมลาอัซามักุมมาช่วยเอสุัสดี่ะบารมีถ้าอย่านั้นถาอย่างนั้นดาอยนัาอ่านั้นถอนันถยัย่นนาั้น้อย่าั้น่านั้ันั้้นั ว่าโอ้บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของพวงอัลลอฮ์ท่านพูดเตือนสติโอ้บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของพวงอัลลอฮ์อย่าได้นิ่งนอนใจไปอย่าได้สบายใจไปด้วยกับการที่พวกอนะัลลอฮ์น่ะไม่เอาผิดท่านด้วยการที่พวกอนะัลลอ์น่ะปล่อยให้ท่านอยู่กับความชั่วของท่านท่านอิหม่ามฮัซันบัสรี บ, บอกไงครับอย่าได้วางใจว่าฝาเราอาฮับบาุมและอาสมากุม พราะถ้าหากว่าพวกล้อรักพวกคุณพวกล้อจะป้องกันไม่ให้คุณทําความชั่วเหล่านั้นแต่การที่ว่าโอกาสนะครับการทําความชั่วร้ายเนี่ยมันง่ายดายมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนล้อทิ้งเขาแล้วไงให้เขาอยู่กับทรัพย์สินของเขาแล้วก็ให้เขารอไปเจอทีเดียวเหมือนกับไอ้กุหลานข้างต้นที่ว่าผมยังไม่ทันแปลใช่ไหมพวกล้อเก่าไงครับแน่นอนบรรดาผู้ที่เขาแลกเปลี่ยนการศรัทธาด้วยกับการปฏิเสธ อย่างบางคนพ่อแม่ก็เป็นมุสลิมแต่ตัวเองไม่สนใจอิสลามเลยแล้วก็สนแต่ดุนยาแล้วก็รู้สึกว่าธุรกิจมันก็รวยเอารวยเอารถก็สวยอะไรก็ดีทําอะไรก็ดีหมดที่มันฝ่าฝืนคําสั่งอันลอ้อเห็นว่าทางมันสะดวกชีวิตในดุนยาผาสุกพวกเราซิพวกเราลัก เ, เก่าไงครับผู้ที่เขาแลกเปลี่ยนศรัทธาเอาไปแลกเปลี่ยนกับการไปเสียศรัทธาและอ ย, ย่าดูละใช่ไหมพวกเราบอกประการแรกเลยเขาไม่ได้ทําร้ายแรงร้อนเลยพวกเราไม่ได้เดือดร้อนเลย คือพวกเราไม่ได้งอให้ใครสักคนเป็นมุสลิมต่อให้คนทั้งโลกไม่ใช่มุสลิมไม่เดือดร้อนพวกเราเลยครับพวกเราเป็นอั ส, สัมมัตผู้เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราไม่ต้องพึ่งไม่ต้องเงอไม่ต้องอะไรพวกเราเลยกุลมายะบูบิกุมรับบีลาอูลาดูอาอุกุมฟักกัลกระซัตุ้มฟัลเซลกุนลิซามาพวกเราเก่าเองครับพวกเราจะไม่อะไรพวกคุณเลยไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรพวกคุณเลยถ้าไม่ใช่เพราะพวกคุณวิงวอนขอต่อพวกงรา สิ่งที่ทําให้พวงละยังรักพวกเราอยู่คือการที่เรานั้นขอต่อพวกงละยังหวังต่อพวกงละยังอยากให้พวงละรักเราอยู่พวกงละก็เลยแคร์เรามายะบูบิคุมารบีพวกงละไม่จําเป็นไม่สนอะไรอะไรเราเลยถ้าเราไม่ใช่พ่อเราขอได้ต่อพวงเพราะฉะนั้นอาย่านี้ครับประการแรกพวงละบอกไงครับสําหรับใครก็ตามที่แลกเปลี่ยนการปฏิเสธด้วยกับศรัทธาเอามาแลกเปลี่ยนกันศรัทธาอยู่ดีอย่าไปเปลี่ยนกับการศรัทธาการไม่ศรัทธาเนี่ยนะประการแรกเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรพวกงละเลย อันที่สองวัลหุมอาตาบุนอลีมแล้วเขาก็จะต้องรับการลงโทษที่เจ็บแสบไม่ใช่แค่สองนะพวกเราบอกไงครับ <c oughs> วายสบันนาีนนกฟารูยาได้คิดเลยนะบรรดาผู้ไปเสศสัทธาว่าสิ่งที่เราประเคนให้กับเขาเนี่ยมันดีสำหรับเขาการที่เขาได้ทรัพย์สินเยอะๆการที่เขามีบ้านช่องใหญ่โตการที่เขาได้อะไรก็ตามในดุนยามีความสุขกับมันหลงรืงไปกับมันพรบอกไงครับ อย่าคิดนะว่าสิ่งที่พวกเราประบเค้นให้กับพวกเขาเนะี่ยมันดีสําหรับพวกเขาแต่ที่เราประเค้นให้กับเขาเนะี่ยเพื่อที่จะได้เพิ่มความชั่วลายให้กับเขาวัลหุมอาซาบุมูฮีนแล้วถึงเวลาเขาจะต้องรับการลงโทษที่น่าอับ ป, ประโยชน์ยิ่งพวกเราไม่ได้ใช้คําว่าการลงโทษที่รุนแรงแต่ใช้คําว่าหน้าอับ ป, ปยชน์เพราะดุลยาเขาได้ทุกอย่างเขาหลงระเริงเขาคิดว่าเขาแน่กว่าคนอื่น เขาคิดว่าเขามั่งเขาคิดว่าเขามีเขาคิดว่าเขามีความสามารถสิ่งที่รออยู่ถ้าไม่กลับตัวถ้าไม่เตาบาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือผู้ที่เป็นมุสลิมแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหากไม่เตาบากลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ละสิ่งที่เราค อ, อยอยู่ที่องากล่าวไว้คือละหุมอ า, าบุมมูหินการลงโทษที่หน้าอับยศยิ่ง في نفس الوقت، نسر الحق، في نفس الوقت، يوميز توردون لا تقفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه ب ي م ي ن ه فجقولوا ها أمقرأ كتابيه، إني ز ل ن ت أني ملاك حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة أ ا ل ي ه قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، و َ م َ م َ ل َ و ت َ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ ي َ ا ل ي َ ت َ ن ِ ي لَمْأُوْتَ كِتَابِي وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي ي َ ا ل ي ت َ ه َ ا ك َ ا ن َ ت ِ الْقَاضِيَ مَا ع َ ن َ عَنِ مَالِي هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِيَ خُذُهُ فَقُلُهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ ص ل ُ و َ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ز َ ر ع ْ ه َ ا س ب ع و ن ذِرَاعًا ف َ س ل ُ ك ُ و ه ُ อันนั้นเขาไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสูงสุดและไม่รู้จักการให้ทานแก่คนยากจนดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้และไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้และไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้และไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันพรุงนี้และไม่ได้รับารเอันพรงนีละไ่ได้รัาหลือในันพรุ่งนีม่ไ่วหลรงลรกา่เอรงลมัาน่ีะได้ร่ยัพรน ให้กับเขาเลยแม้แต่เพื่อนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมที่รักกันมากก็ตามถึงเวลาก็จะไม่อย่างประโยชน์อะไรกับเขาเลยซึ่งด้วยกับเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดจํำเขียนนะครับผมสําหรับวันนี้เราอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยินชาวล้อครับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยในส่วนของสโะว์อัลฮากะเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเราครับนั้นสำหรับวันนี้นะครับที่พวกเราพูดคุยกันที่ขออยากจะขอเตือนนะตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ผมรักทุกท่านนะครับผม ฟ้า ม, มามันอาต ว, วัตโกวซัดดะกบิลฮุสนาสามคนใลักษณะนี้เราต้องพยายามขวนขวายทำให้ดีที่สุดเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเชื่อมั่นต่อพงอลลอฮ์เชื่อมั่นต่อคำสั่งของพงอลลอฮ์เชื่อมั่งต่อคำสั่งใช้ของท่านอับดุลเบียร์มัสลลัลฮุสสลัมล้วก็ต้องศรัทธาอย่างจริงใจจริงใจจริงจังนะครับว่า คำสั่งของพวกร้อนนั้นเด็ดขาดการตอบแทนของพวกร้อนนั้นสวยงามใครก็ตามที่ทำได้เขาคือกลุ่มชนที่ว่าจะได้รับอะไรก็ทำข็ง่ายดาไปหมดซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่ว่าตรหนีทีเหนียวและคิดว่าตนเองแน่คิดว่าตนเองเอาอยู่แล้วเขาปฏิเสธแต่ความดีงามทั้งหลายถึงเวลาชีวิตเขาจะมีแต่ความยากลำบากเขาจะทางออกของชีวิตไม่เจอหรือต่อให้เขา ตรงกันข้ามกันเขามีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแต่มันยิ่งแย่สำหรับเขาก็ขอด้วยใจพวกเราครับให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ได้เห็นสัจธรรมเห็นความจริงแล้วก็ได้มองสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็พยายามทำเท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอเรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วก็ขอให้เรานั้นสามารถที่จะ ออกห่างจับมันได้ครับสิ่งใดก็ตามที่เราผิดพลาดไปไม่ว่าเราจะตั้งใจด้วยกับความขาดเขาด้วยกับอะไรก็ตามแต่อะไรที่เราทําไปนั้นขอให้พวอเราล่อหนั้นอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นดีแง่สิ่งดีงามที่เราทํานั้นขอพวกเราล่อให้มันอยู่ในตาช่างที่ดีงามของเราขออย่าให้การงาน ของเรานั้นถูกทำลายด้วยกับความรู้เท่าไม่ถึงการของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของการโอ้อวดหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราขอดูอาจับผู้อัลลอฮ์ให้พว้อัลลอฮ์นั้นรักเราเมตตาเราแล้วก็ให้เรานั้นอยู่ในกลุ่มชนของผู้ที่ผู้อัลลอฮ์รักทั้งตอนมีชีวิตแล้วก็ตอนที่เราเสียชีวิตด้วยเถิดอามีนครับซาบานี้ก็อัคูลูกอลีฮะดะวาสัฟลูละฮะลีวลักุมวลิซัยลิมุสล อันห ا ل ะอัลกัฟฟูร์ราะหิมซุบฮ์ حمدك ขอเจริญสุขภาพคุณอับดุลเลาะห์ซุลามุอ ي ลัยกุมุวารฮัมดุ ا ลอ